มันหลงผ่านไปมันโศกวนทุกข์ผ่านไปมันอะไรที่มันเกิดขึ้นออผ่านไปให้เป็นให้มีสติผ่านคองหลงผานคองทุกข์ผ่านควาโกรธผ่านความวิตกกวงวลโนเศรหมองให้ได้ให้ชํานาญเมื่อกเราเดินทาง ไล่ไปนาเราจะถ้าคนชำนาญเดินไปไล่ไปนาของตนเองหรือขับรถไปทํางานก็อนั่งรถก็ถึงแล้วถึงที่ทํางานแล้วมันมีความสามารถหรือพอเดินก็ถึงแล้วไล่ดาแล้ว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 พุทธเจ้าภาสาวกแล้วก่อประกอบกับชีวิตของตอนเองทำให้เหมือนก็ศาสดาภาสาวกกัวออาจาของเรามันก็จำนานนะมันมีทางผ่านจริง <c oughs>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 เดนิมิตเห็นกระแสหัหลงชุมกุ่มอยู่โน้นหรอข้ามขอนไปตรงขอนข้ามขอนนั่นข้ามไปข้ามมาง่ายข้ามที่แรกก็ปวดขาต่อข้ามไปข้ามไปคินเหมือนก็นไม่เราเดินทางชั่วโมงแรกสองชั่วโมองอาจะเหนื่อย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 เราก็เดินปอยสบายเดิน <c oughs> ไปเดินขึ้นไปเรื่อยไปแต่คนหูกับคนเดอินน้อยคนบุญทวีลาะกันแต่เราอาอยุน้อยอายุมากกว่าเขาเขาอายุน้อยกว่าเราเราก็เดินขึ้นไปถ้าเราจะไปเหมือนพระพระนมขึ้ น, น, น, นจอนสมหมายโอรสเท ก็ได้แต่ว่าสองคนเนี่ล้วขอเป็นเพื่อนเขาสักหน่อยได้แค่ไหนก็เอาเอาให้สุดความสามารถเราขึ้นไปก็เราก็ไปนั่งเขาเดินล่าแล้วมองเครื่องหลังโน่นอยู่นั่นตกเตเเราขึ้นไปนั่งหัวล่อเขาเดี๋ยเดี๋ยวพอเขึ้นไปขานั่งอขอขานั่งก็อขอ หายเหนื่อยบ้างแล้วเราเดินขึ้นไปไปหลอกเขาหยิกมะขึ้นมาัลที่สุดพอขึ้นไปค้อนแล้วพวกเดินไปถึงก่อนลงมาแล้วตันลงมานังมองเห็นอยู่เนี่ยเห็นยอดแล้วก็เดินขึ้นไปอเอาควนเลยที่ลงมาไปขึ้นไปอีก ตื่นขึ้นไปดูกันหนึ่งบางทีก็ช่วยกันบ้างแต่ใครเคยขึ้นชีปทัทาแล้วเติ่องอื่นเมืเรื่องเด็กกำนา น, น, านการปฏิบัติธรรมกรรมฐ า, านนี่เหมือนกันทางความหลงง่งายนิดเดียวรัดนู่มความทุกข์รัดนู่มความโกรธรัดนู่มภาวนทุกเรื่อง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 บอกทิศบอกทางเราหรอเฉลยช่วยเราช่วยเราได้เยอะเราเห็นรูกทำเห่นนามทำนะอะไรมองทักงหมไม่เที่ยงมันแสดงออกเราเห็นแต่เรื่องเดียวเป็นตัวเฉลยช่วยเร า, เราได้คล่องตัวเหมือนเครื่องมือการเดินทางมันเราเดินทางไปต่างประเทศไม่พีพาสปอร์ตมีวีซ่าปกต้อง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 มั่นเป็นการสัมผัสกับชีวิตขี้ว่าของเราจริงๆว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรมันทํำไม่ได้มันจะหลงไม่ได้มันจะสู้กับทุกข์ไม่ได้มันก็เรื่องเหลีวไหลก็ว่าได้ไม่ใช่ปรมาจารยปรมาจเหนือเหนือทุกอย่างมาเห็นลูกเห็นนามเห็น ขันห้าม <c oughs> ันโชว์โชว์ประตูสุดท้ายเลยรูปมันเป็นไงเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสองสองสาวกว่าเรโยกอุปทถานะขันห้าเป็นถัวทุก จ้อยที่ตัง้งเมื่อเจอจิเหเรานี่คือลูปูปาแสดงกันถุกขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือลูกเราเหรืออะไรเช่นวันโชว์ป๋อิตลอดเพราะมันมีลูกมีนามมีขันหน้าท่าจีนั่นก็จะแดงตามภาษาของมันนั้นขันหน้านะ่ะแต่ถ้าตาทาไม่ละเอียดมันก็มีรสชาติทำให้เรา ข้องติดไม่เป็นธรรมชาติที่โฉดนั้นขันเป็นขันรุนร้วนไม่ใช่ขันอุทานขันอันนี้เป็นขันอาศัยไม่ใช่ขันที่จะต้องให้เราแบกเราถือการแบกถือคือสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกเป็นแบกเอามืนกับแบกเหลือขันเนี่ขันนั่นเหมืนเหลือขี่ข้างผ้า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 ดายาเือ น, นพระเนนลายดายาหันหน้าใจกันคนนั่นเขาทำคนนี้เขาทำไงกบจบต่างคนต่างทํางานคนห้าคนอต่างคนต่างทํางานคนนั่นเขาก็ขยันรูปก็ขยันเวททั้งหนาก็ขยันฉันยาก็ขยันสังขารก็ขยันวิญญาณก็ขยันตามาที่ของเขา เขาจะอยู่ได้ทำไปทําคนหคนทําไปทํามาแต่เราเป็นผู้ดูค่ๆอย่างนั้นและดูดูมันทําพอดูมันทํามันขันหน้ามันทํำงานลูกเวทนาสัญญาสงขารวิญญาณเอาไปมามันหันหลังให้กันแล้ว นั้นหลังให้กันเดินไปคนละทางอา้าวมันเป็นงี้มันหยุดเฉยๆแตะหยุดไ ม, ไม่ทำไม่ทำตัวๆวางจอบวางเสียมวางจอบวางเครื่องมือทามาอันรถของขนันห้านอันลูกเวทนาสัญญาสังการยงไม่มีรถมีชติจุดไปเลย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 อันนี้มันช่วยกันมาได้งั้นเราเดินทางเนี้ยใครก็เดินเอาใครเอาเราแต่ต้องไปด้วยกันเดี๋เราผ่านตนัวหลังเห็นล่องลอยเห็นลอยพระบาทของพระเจ้าโอ้ยผู้ถรงไปตรงนี้เหมือ น, นกับเราสวดทังมาป่าหางพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านั้นแล้ว ถ้าเราทําถูกเจ้าะหน้าเราผ่านไปตรงไหนก็ผ่านนั้นกันหมดคือชัฏฐาก้าหน้าอาชจัญทธรรมอาชจัญพระเจ้าอาชจัญธรรมาอาชจัญหมู่สงสาวกของพระเจ้า ส, สงสาวกของเจ้าเขาลู่เรื่องนี้เป็นส่วนมาก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 เหมือนเรือวิ่งเฉลี่ยกมีเรดาร์กมีเรดาร์สองไปข้างหน้ามีขึ้นอยู่ตรงไหนเหมือนขึ้นเขาก็ลูจ้จับอีกเหมือนเครื่องบินเขาบินขึ้นนานฟ้าบางทีเขาบอกเรา <c oughs> อีกสิบนาทีจะมีขื่นข้างหน้า เออปูดสอนทุกคนล็อดเข็มขัดปรับที่นั่งให้ตรงของวางไว้ใต้โต๊ะใต้ม้านั่งต่้ไปก็มียิงเกียงตึมต่ำติมต่ำมาเรือดิ่งทะเล ก, ก็เหมือนกันได้ขึ้นมันมาค้งมาค้างนี่เขาก็ไม่เอาข้างช่ขขันหน้ามาช้วันสู้ขึ้น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 บ้องเนียน้ำก็เด้นขึ้นลมคัดแรงปิวเฉยพวกเราไม่มีลังคาต่ำต่ำต่ำเรามีหมอนลมันหลังน้อยเราก็โฟล์ลลงไป้วจะหมอนลมไว้เออเอามาก่อก็ถ้าเรือมันล่มจะจะเอาใช้หมอนเนี่ยเอาบาตรเอาอะไรใส่ถมไว้ดีๆแลูดชิบไปย่ามก็รูดชิบไปน่ะ กอดกอนอยู่จีวนเปียกหมดเลยตต่ำต่อันดูเด็กน่วยนั่งอยู่นั่น่ะมันยังเดือกร้อนกันเลอเราต้องคิดว่าถ้าเหลือล่มใครจะช่วยเด็กนอดูโขนน้องโขไม่ได้คิดอะไรเลยเขาเขาเป็นคนท่านเหลแล้วเป็นคนบ้านโคกสเล้วคิดจะช่วยเด็กอยู่เด็กน้องยังหวาระหอยู่เปียกมันก็ยังคุยเล่นอย่าง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 ใสรถไม่เป็นน้ำหมอกหมดเลย็มัยราณครับไม่มีก็ไม่มีเครื่องฝังมันทุกวันเานั้นเน่งมันต้องจำนานแน่นอนกับมาฐานเนี่ยนีปัจจนาเนี่ยยอดเยี่ยมโดยสุดเลยเดินทางชิดของเราถึงจุดหมายปลายทางทางคมลงได้ง่ายผ่านคมโทษกด้ง่ายผ่านคมโกรธได้ง่ายอานกิเลสพันธาตนาหรืเปล่ดง่าย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 กับความตายเท่านั้นความเก็บไม่มีมีเหมือนกันเพรอ้หนูป่วยเก็บต้นหน่อยไม่มีคนที่เก็บเลยนอนสบาไม่เห็นแสดงความเก็บนอนสบาเออดีมีแต่ความเกิดความเจอบความตายเนาะเนาะความเก็บไม่มีเลยเนาะไม่ได้ตายเพราะความเก็บตายเพราะความตายอันนี้ตายเพราะความเจ็บนี่เหมือนกันนะ แต่บางคนตายเพราความเก็บนะมันต้องมีแน่นอนเราเนี่ยทำอย่างไรพวกเราจึงจะพ้นจากมันได้ก็<อ>วิปัสสนานี่ยแหละมาทำอย่างนาีแ้แหละไม่มีวิธีใดเดินไปทางเดียวนยี่แหละผ่านความหลงมีสติเห็นกายเอาก า, นายนี่แหละทําเอาใจนี่แหละทําเอาสตินี่แหละดูอะไอย่างเงี้ยเรายิยนบอกอะไรเพี้ยน <laughs> <laughs> สมาทานจินไม่ได้มันสมาทานฉินผ่านไปอีกแล้วเดือนแต่ก็จะหมดแล้วย่างจึงนะเราทยะยุจันัการนจิน